ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้คง <c oughs> 14 สิงหาคมตาม 2 ก็ขอคุยถึง การนำค้างท่านก็เป็นภูเขาลึกเป็นถ้ําลึก ถ้าถึงความมีความจําเป็นผมจะมาหาท่านถ้าไม่จําเป็นผมก็จะไป <c oughs> สังมรณานุสติคําว่ามรณานุสติหมายความถึงนึกถึงความตายเป็นอารมณ์แล้วอาจจะตายที่ตรงนี้ อุปสมานุตตินึกถึงไม่ได้ผ่านเป็นอารมณ์ก็ทํากันหมดกายคตานุสสติก็ต้องทําตัวร่างกายมันไม่ใช่ ยังนึกว่าเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐมากเกินไปเห็นว่าธรรมผีเป็นเทวดา เป็นการถวายทานกับประสงค์เป็นสังฆทานบงใหญ่มากบางท่านใส่บาตรพระเสร็จก็โตดน้ําที่ตรงนั้น เมื่อโมทนาแล้วเขาที่มีบุญญาธิการมากหน่อยคือบาปเล่าน้อยหน่อยกรรมเลือนน้อยเขาเป็นเทวดาทันทีทันใดเป็นเทวดาเป็น แล้วหลายๆท่านที่ได้กรรมฐานได้ที่ปู่ยายก็ นางฟ้าเป็นนางฟ้าชัดๆถ้าถามถึงความรู้สึกว่าเห็นสาวนางชาฟ้าเป็นยังไงก็ ความตายมีอยู่แค่ปลายจมูกมันเลิกลมหายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นเสื้อกัดเมื่อไหร่ก็ตายช้างก็ <c oughs> ถ้าอย่างเจริญธรรมะบรรดาเทวดาที่มานั่งทั้งแต่ต้องถือเป็นความดีของเขาด้วยถ้าเขาไม่ดีเขาก็ไม่โหมทไม่ <c oughs> ชีวิตยังไม่ถึงอายุไขก็ เคารพความที่มหาธาตุได้เพราะว่าเขาไปดีแล้วดีมาถึงเขาแล้วท่านสิทธาจะนึกว่าถึงภาพ แต่เวลาไปไปนางฟ้าก็ไปสาวหมดเหมือนกันหมดเมื่อฉันข้าวเสร็จโมทนาให้พวกเธอเธอรับโมทนาเป็นความสว่างมากขึ้นแล้วกลับไปหลังจากนั้น ยังมีเสือยังมีๆก็คือกล้วยไม้กล้วยไม้สวยมากเกาะอยู่ตามต้นไม้ กะกระทั่งก็นานนอกกราบท่านก็ได้บอกว่าขอประทานอภัยครับก็ผมมลบโกรธท่าน สภาพ ตั้งใจว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของ เธอว่าราติเธอคิดว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นเพียงธาตุ 4 เข้ามาประชุมกันมีธาตุน้ําธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันปั้นๆเป็นโต๊ะเป็นก้อนขึ้นมาเค้าแยกเป็นการ 32 แม้ไม่ช้าก็ตายอย่างฉันแม่ เวลาที่ฉันนั่งคุยกับเธอก็ไม่ใช่ครับฉันนี่นั่งพ่ออยู่เขาบอกว่าเธอก็รู้แล้วอยู่ไหนฉันก็อยู่ที่นั่นแต่วันนี้จะ หอเขาลูกนี้อยู่จมอยู่ก้นทะเลลึกมากตอนนามานังค่อยๆแห้งไปค่อยแห้งไปทีน้อยที แต่ว่าที่ที่เป็น 3,000 ไร่เศษถ้าเดินเดินเข้าไปข้าง เป็นทาง ตายไม่เหลือไม่เหลือถูกเข้าฆ่าตายก็ตายที่ไม่ถูกเข้าตายก็หมดชีวิตตายต่อมาเมื่อสถานีนี้เป็นดินแดนของคนคนชาวเกาะซึ่ง <c oughs> <c oughs> การทหารกรรมวิภพก็มีความสูงมากผลมากรากไม้ก็มีผักปลาก็ไม่ต้อง แต่ที่เป็นเทวดาที่เป็นทางฟ้าก็ไปขอเธอจนเธอถึงว่าที่นี่เค้าตายกันมามากแล้วแล้วเราเองตัวเราก็จะต้องตายตามเค้าอย่าลืมความตายเป็นสําคัญถ้าบอกว่าหลังจากนี้ไปก็ไม่ แต่ที่นี่มีพระสําคัญสําคัญอยู่หลายองค์ที่ต่าง ถ้าท่านบอกว่าพระที่สอนผิดมีมั้ยพระองค์ไม่มีพระที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดฉันขอบอกกับผู้เธอว่าเป็นพระ <c oughs> พวกเราเราก็กราบแล้วก็ตามท่านไปไปถึงวิมัยของท่านพอวิมัยของท่านท่านก็เข้าที่ ห่มผ้าห่มผ้าห่มผ้าห่มผลต้องเรียบร้อยพูดจาพวกอาตมาเวลานั้นลาธไปไม่ได้คิดถึงคิดถึงผ้าด่มต้อง <c oughs> นั่งกรรมฐานแบบสบายใจเวลาประมาณบ่าย 2:00 น. เสร็จๆนี้การต้องคอยไข่ตามเวลาคงไม่เวลาจะพลาดบ่าย 2:00 น. เสร็จๆก็มีพระองค์หนึ่งถือต้นไม้ต้นใหญ่เส <c oughs> พอถึงใกล้สถานะแถวนี้ใครเป็นถ้าเก่งจริงมาตีกับกูสิว่ะมึงคิดดู แว่ต้นไม้ขนาดต้นยางมา 1 ต้นแล้วก็สา <c oughs> รูปว่าสุขีวิริตมากเป็นกําลังมากหลอกให้แล้วก็ประกันถือว่าสุขีอ่อนเพลก็เคยเข้าโจมตีทันถ้าจะถือว่าเป็นคนเก่งก็ แล้วก็จริงไม่ใช่ต้นกระจังเป็น อันนี้ที่เคยถูกทหารสรรพธามาแล้วเมื่อท่าน แต่แต่ว่าในเวลานี้พวกผมไม่ใช่พวกกลุ่มปกไคลครับเป็นภัทรธุดงค์เดินมาเพื่อหาความสุข คือทําต้นไม้ภาคเกี่ยวกันถึงตัดกิ่งถัดใบเป็นต้น ถ้ากระหม่อมพอว่าพวกมึงยกมวยไม่ไหวกูจึงมาถ้าพวกมึงยกมวยกู พ่อที่อยู่บ้านนู่นเค้านั่งแถวนู่นน่ะเค้ามีบ้านอยู่กันข้าไม่ <c oughs> เมื่อประชาธิปไตยตายก่อนที่มานี่เธอจําได้มั้ยประการเดินทางที่เร็วน่ะใครสอนก็บอกไม่มีใครสอนครับต้องเป่าโอซัง 3 ครั้งท่านถามบอกว่าไอ้การที่ท่องเที่ยวไปในพบต่างๆได้เนี่ย อาศัยพวกพัน 1 เป็นองค์ต้นการที่ 2 เข้าถึง อย่าไปคิด เพราะเธอบอกมีพระอรหันต์มากเขาคิดว่าต้องเรียบร้อยมันไม่ อย่าเป็นสงฆราชมันไม่อยากเป็นครับท่านถามว่าธรรมะจะไม่อยากเป็นเขาบอกว่าที่ไม่อยากเป็นไม่ใช่มีมีใครเค้าตั้งเค้าจะตั้งหรือไม่ตั้งผมก็ยังไม่ทราบว่าเกณฑ์ศีลศาสน์ความรู้ผมก็สามารถผมไม่ไม่ถึงเอาแต่เป็นเพียงว่าถ้าเป็น เออเออดีแล้วเธอคิดว่าจะไปไหนก็กล่าวเลยท่านสินิพพาน <c oughs> <c oughs> ถ้าเราบรรลุอภิเษกสมาธิโพธิญาณ สังฆาตาซึ่งใจราพุทธภูมิ <c oughs> บนที่ฉันมานี่ ฉันจึงมาขอมาบอกเธอไว้อาจารย์ปานให้ไม่บอกให้ <c oughs> เวลากว่าพระฤาษีตักก็ค่ำค่ำพอเช้าจึงเข้าเทวดาน้องเสเรืองก็ควรจะจบพอคนพูดไม่ไหวแล้ว <c oughs> ตายยังเป็นมนุษย์อยู่ <c oughs> ก็บอกว่าสปอจโนครับถ้าผู้ผู้เอ่อ ที่มาหาแก้ข้อข้องใจนิดหน่อยครั้งก็สอนตามเดิมพวกเธอได้สนใจอย่างเดียวอรหันต์เขาเป็นกันยังไงท่านใช้ไม่ล่ะไม่ใช่ครับท่านบอกว่าอรหันต์ไม่ใช่หมายความว่าต้องเหาะได้ ก็ถามท่านบอกว่าพระที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดเป็นไปฉันทายามทั้งหมดใช่มั้ยถ้า คอยพระที่มาในป่าเมื่อไหร่พระเข้ามาในป่าพบฉันฉันก็สอน เธอบอกเธอจงอย่าสนใจในรูปขึ้นชื่อว่ารูปทั้ง ให้มีขั้น 2 ตัวสภาวะที่ส่งตัวมีที่เดียวคือนิพพานจงรูปเห็นรูปแล้วจงคิดไม่ใช่เอาตาหลบรูปเอาตา dan nou ben uhm ik Dan moet ik wel een moet een is het zo rook en moet denk je roep, dan denk op maatje roep, dan denk je, maatje roep, denk ถ้าเธอยังสนใจในรูปสวัสดี